เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30กันยายนพุทธศักราช2555เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันเติมบุญเติมกุศลซึ่งเปลี่ยนเป็นเหมือนปัจจัยสิ่งของจิตใจ ร่างกายต้องการปัจจัยสี่ชั้นใดจิตใจก็ต้องการปัจจัยสีชั้นนั้นปัจจัยสี่ของร่างกายก็คืออาหารเครื่องนื่มงโหงยงยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยอาหารของใจก็คือการให้ทานเสื้อผ้าอภรรของใจก็คือการรักษาศีล ไม่ทำบาที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิความสงบยารักษาโรคใจก็คือปัญญานี่คือปัจจัยสี่ของจิตใจถ้าเรามีปัจจัยสี่ทางจิตใจเหมือนกับเรามีปัจจัยสี่ทางร่างกายจิตใจเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่มีความเสือ่อมไม่มีความทุกข์แต่พวกเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างปัจจัยสี่คือบุญกุศลให้แก่จิตใจของเราจิตใจของเราจึงทุกข์ยากลำบากเหมือนกับเป็นขอทานเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารให เพื่มนุ่มหอมให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคใจอย่างพอเพียงนั่นเองพระพทธเจ้าจึงต้องจึงทรงต้องบัญญัติวันพระขึ้นมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้เป็นการบังคับทางอ้อมให้ญาติยโยมพุทธบริษัทได้เข้ามาสะสมตัดใจสี่แก่จิตใจเพราะไม่ชนะแล้ว ถ้าไม่มีวันพระญาติโยงก็จะอ้างว่าไม่มีเวลาต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อมซึ่งไม่สาคัญเท่ากับการเลี้ยงจิตใจเพราะว่าร่างกายของเรานี้มันเป็นของชั่วคราวมีอายุไม่เกินร้อยก็หมดสภาพไปต่อให้เราดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนก็ตาม มีอาหารวิเศษวิโสระดับวังมีบ้านเป็นข้ า, าราอันใหญ่โตมีเสื้อผ้าอภารราราคาแพงๆมียามีหมอไว้คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางร่างกายได้ความทุกข์ทางร่างกายคืออะไรก็คือความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายดังนั้นเราอย่าไปให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายมากจนเกินไปดูแลพอให้อยู่ได้ก็พอแล้วเพื่อเราจะได้ไม่เสียเวลากับการดูแลร่างกายเพื่อเราจะได้มีเวลามาดูแลรักษาจิตใจเพื่อเราจะได้มี ปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ให้แก่จิตใจเพราะเมื่อจิตใจมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์แล้วจิตใจก็จะไม่มีวันที่จะต้องทุกข์อีกต่อไปจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่ต้องไปไรเห่เรื่อล่อนในพบน้อยพบใหญ่เพื่อหาปัจจัยสี่ต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังเป็นอยู่เพราะใจของเราขาดปัจจัยสเราก็เลย มาหาทางร่างกายกันหาได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องหมดไปเพราะว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยมนั่นเองมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาตราบใดที่เรายังไม่ได้หาปัจจัยสี่ให้กับจิตใจได้ครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจของเราก็ยังต้องละเห่เล่ล่อนอยู่ในภบน้อยภบใหญ่ไปเรื่อยๆ แล้วก็ต้องทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราประพฤติตามตัวอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงสละราชสมบัติเพราะทรงเห็นว่ามีมากจนเกินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้มีปัจจัยสี่ ทางจิตใจได้พระองค์ก็เลยทรงสละราชสมบัติเป็นการให้ทานอย่างใหญ่หลวงการให้ทานนี้จึงทำให้พระไตยของพระองค์นี่มีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่หิวไม่อยากเหมือนกับพวกเราที่ยังไม่ได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่ทำบุญกันพอหอมปากหอมคอก็จะมีความอิ่ม เฉพาะวันที่ทําแต่ถ้าเราได้ทําอย่างเต็มที่อย่างพระพุทธเจ้าคือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ไปหมดแล้วก็ไม่หวังเพึ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอีกต่อไปใจของเราก็จะไม่หิวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและเราจะได้มีเวลามาสร้าง ปัจจัยสี่ส่วนอื่นต่อไปก็คือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลนี่เองคนเหลานี้จะสวยหรือไม่สวยนี้จะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราสวมใส่ถึงแม้เราจะใส่เสื้อผ้าที่สวยงามมีราคาแพง ประดับเพชรประดับพลอยแต่ก็ไม่ได้เป็นความสวยที่แท้จริงเพราะถ้าใจของเราไม่มีศีลทำยังทำบาปทำกรรมอยู่เวลาคนที่เขาได้รู้ความจริงของเราเขาก็จะเบื่อหน่ายไปเองถึงแม้ว่าเราจะมีเสื้อผ้าซ็อกอะพรสวมใส่สที่สวยงาม มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่ถ้าใจเราไม่มีศีลใจเราไม่สวยงามก็จะไม่เป็นที่ประทับใจของผู้อื่นถ้าอยู่กันไปไม่นานก็จะเบื่อกันไปจะเสื่อมศรัทธามันไปแต่ถ้าเรามีศีลมีใจที่สวยงาม ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเสื้อผ้าราคาแพงๆสวยๆ ง, งามๆไม่สวนใส่เราก็จะเป็นที่รักของผู้อื่นเป็นที่ศรัทธาของผู้อื่นถ้าเราถ้าเขาได้รู้จักเราไปเรื่อยๆเขาจะเห็นความสวยงามของเราที่จะออกมาจากการมีสีนี้เองเพราะผู้ที่มีสีนี้ไม่ว่าจะไปอยู่กับใครก็ตาม จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะจะไม่ฆ่าจะไม่รักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดตเวณีจะไม่โกหกหลอกลวงจะไม่เสพสูลายาเมาทำตนเองให้เป็นบุคคลที่น่าวังเตียดต่างกับคนที่ถึงแม้ว่าจะมีเสื้อผ้าสวยงามไม่สวนใส่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม แตถ่ถ้าใจไม่สวยงามใจยังข่ายังรักทรัพย์ยังประพฤติผิดตัเอดียังพูดปดยังเศสศรายาเมาอยู่ผู้ใดอยู่กับคนแบบนั้นก็จะเอือมระอาจะไม่อยากอยู่ด้วยเพราะเป็นอันตรายต่อตอนนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราจงมา ใช้เวลาทุ่มเทกับการสร้างเสื้อผ้าอภรร์ความสวยงามทางใจจะดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆมาสวมใส่เพราะจะไม่เป็นประโยชน์กับเรา <c oughs> เรามาทุ่มเทเวลามารักษาศินกันดีกว่ารักษาสินแล้วอยู่ที่ไหนกับใคร ก็จะไม่เป็นที่น่ารังเกียจจะเป็นที่น่ารักเสมอเวลาจากกันก็จะก็จะรู้สึกเสียดายที่จะต้องจากกันไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีศีลเวลาจากกันนี้เขามักจะว่าดีแล้วไปเถิดอย่าอยู่ใกล้กันเลยเพราะว่าอยู่แล้วก็มีแต่โทษไม่มีคุณนั่นเอง นี่คือเชือผ้าอภร์ของเราที่แท้จริงก็คือศีลห้านี้ขอให้เรารักษาศีลห้าไว้ให้ดีเพราะศีลห้านี้แหละจะเป็นผาขายหรือเป็นกำแพงกัน้นไม่ให้เราเข้าสู่อบ า, ายถ้าเรามีศีลห้านี้เราจะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบ า, ายคือไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกาย เป็นสัตว์รกถ้าเรารักษาสีห้าได้อย่างอย่างต่อเนื่องอย่างบอยสุดตลอดเวลารับรองได้ว่าเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะไปเกิดในสุกติคือไปเกิดเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่อไปตามกำลังธรรมะของเราที่เราจะเสริมสร้างขึ้นมา คือถ้าเรารักษาศีลได้ถ้าเราให้ทานอย่างสม่ำเสมอใจของเราก็จะเป็นเทพถ้าเรานอกจากให้ทานรักษาศีลแล้วนั่งสมาธิได้เราก็จะเป็นพรหมถ้าเราเจริญปัญญาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราก็จะเป็นพระอริยบุคคลต่างๆปัญญาคืออะไรคือการเห็นความจริง ของสภาพของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเรายังคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เที่ยงยังให้ความสุขกับเราเป็นของเราแสดงว่าเราขาดปัญญาเรายังถูกความหลงหลอกเราอยู่ให้คิดดังอย่างนั้นเพราะความจริงแล้วไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรให้ความสุขของเราได้อย่างถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเสื่อมไปหมดไปก็จะต้องให้ความทุกข์กับเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเรียกว่าเป็นของเรานั้นก็ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะสักวันหนึ่งเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวเราไปได้เลยนี่คือความจริง ถ้าเราเห็นแล้วเราโปรงได้ปล่อยวางได้ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรต่างๆในโลกนี้เราก็จะเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับขั้นไปตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันจนไปถึงขั้นพระอราหันต์เกิดจากการที่เราทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิทำใจให้สงบ ออกจากความสงบเราก็มาเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งร่างกายของเราเพราะร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้มาดูแล ร, ร่างกายเป็นผู้มาสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่ร่างกายนั้นไม่ใช่เราไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปกลัว เวลาร่างกายจะตายไปเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองนี่คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่งสมาธิและเจริญปัญญาอยู่เรื่อยเราจะเห็นความจริงอย่างนี้ถ้าเราได้สมาธิเราก็จะมีเรือนใจที่หลบความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ชั่วคราวเหมือนกับเวลาที่มีพายุมีอะไรภายนอกบ้าง มีฝนตกมีพายุมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เป็นอันตรายเราก็กลับเข้าบ้านกันพอเข้าไปในบ้านเราก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยฉันใดเวลามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆไม่รู้จะทําอย่างไรดีถ้าเรารู้จักทําสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็จะมีที่หลบภัยชั่วคราว เรานั่งบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือสวดมนต์ไปนานๆใจของเราก็จะเลืมเรื่องวุ่นวายต่างๆใจก็จะสงบลงพอสงบลงแล้วก็หายจากความทุกข์ต่างๆเพียงแต่ว่ามันเป็นการหาชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมาพอมารับรู้เรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีก อย่างน้อยเราก็มีที่หลบภัยเหมือนกับเรามีบ้านถ้าเรายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรเราก็อาศัยกายเข้าสมาธิไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเราอยากจะรักษาใจให้หายจากความทุกข์ซึ่งเป็นเหมือนโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจความทุกข์ความเครียดความว่าวุ่นขุ่นโมนี่แหละคือเป็นความ เป็นโรคของใจซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาที่เป็นเหมือนยารักษาโรคนี้มารักษาถ้าเราออกจากสมาธิเราก็อย่าปล่อยให้ใจเราคิดไปเหมือนที่เราเคยคิดอย่าไปมองว่าคนนั้นอนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราจะต้องอยู่กับเราเป็นนา น, านจะต้องให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆเราต้องเปลี่ยนความคิด เพราะความคิดของเรานี้มันไม่ตรงกับความจริงเราต้องมาคิดตามความจริงว่าร่างกายนี้หรือสิ่งต่างๆคนคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเกิดมีดับไม่ใช่เป็นของเราไม่ได้ให้ความสุขของเราไปไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอด เวลาเขาเปลี่ยนไปก็ให้ความทุกข์กับเราเวลาเขาจากเราไปก็ให้ความทุกข์กับเราเวลาอยู่กับเขาเราก็ห่วงเขาก็เป็นความทุกข์เวลาเวลาเราห่วงเราก็เป็นความทุกข์นี่คือความทุกข์กับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราจึงควรที่จะเปลี่ยทัศนคติควรมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราว เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะมีความทุกมาตามมา <c oughs> เวลาเราเห็นอะไรถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพอเราไม่มีความอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรใจของเราก็เย็นสบายไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจของเราก็จะกระสับกระส่ายกวลกวาวขึ้นมาทันที ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ น, นี่ก็เป็นความทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้สิ่งที่อยากได้เกิดความกระสับกระส่ายกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นคนที่จะไปสอบจะไปสมัครงานหรือจะไปไปไปเอาอะไรตอนที่ยังไม่ได้นี่ใจรู้สึกไม่ค่อยสบายกระวนกระวายกระสับกระส่าย พอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องมากังกวลกวายกระสับกระสายกลัวว่ามันจะหายไปอีกอยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆพอเกิดมันหายไปหรือมันเสื่อมไปหรือเสียไปเราก็จะกะังกวลกวายเศร้าใจขึ้นมาอีกแล้วพอเขาจากเราไปจริงๆก็จะต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้อีกนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆ ที่เราไปหลงคิดว่าจะให้ความสุขกับเราซึ่งความจริงแล้วมีแต่จะให้ความทุกข์กับเราเราไม่เคยคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้ยังไม่ได้อยู่กับเราไปอย่างตลอดเวลาจะมีสักวันหนึ่งเวลาหนึ่งที่เขาหรือเราจะต้องพัดพากจากกันไปเราไม่เคยมาคิดว่าไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่ต้องรักษามัน มันต้องอยู่กับเราเสมอเช่นใจของเรานี้มันอยู่กับเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาใดใจของเราไม่เคยทิ้งเราไม่เคยห่างไกลจากเราเลยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเราไม่ต้องไปเฝ้าไปคอยห่วงคอยห่วงว่าอใจของเราหายไปหรือยังใจของเราอยู่ที่ไหนมันอยู่กับเราตลอดเพราะเราคือใจนั่นเองใจคือเราดังนั้นเราควรที่จะ ดูแลรักษาใจของเรายิ่งกว่าสิ่งอย่างอื่นทั้งหลายจะดีกว่าเพราะถ้าเราได้ดูแลใจของเราด้วยปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์แล้วใจของเราจะมีแต่ผลิตแต่ความสุขให้กับเราตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์เข้ามาอยู่ในใจของเราเลยแนมะ้แต่เพียงนิดเดียวจะสุขอยู่ตลอดเวลาดังที่ใจของพระพุทธเจ้านักพัง ของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เป็นกันใจของท่านเป็นปรมังสุขขังป์มังสุขขังแปลว่าบรมมะสุขบรมมะสุขก็คือความสุขที่เต็มร้อยไม่มีความทุกข์เข้ามาเข้ามาเกี่ยวนุ่งเกี่ยวข้องด้วยมาผสมประสานด้วยสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาจะได้รู่จะเสียก็สุขเหมือนเดิม ได้มาก็เหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วแล้วเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ไม่มีมันก็จะไม่ได้มากไปกว่านั้นเวลาเสียก็ไม่ได้เสียอะไรไม่รู้สึกเสียใจเพราะไม่เคยอยากจะได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นปัญหากับใจแม้ว่าร่างกายของใครจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่รู้สึกเหนือดร้อน ใครจะแก่ก็เรื่องของเขาใครจะเจ็บก็เรื่องของเขาใครจะตายก็เรื่องของเขาแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟนั่นเองคนตายไปแล้วถ้าเอาไปฝังดินเดี๋ยวก็กลายเป็นปุ๋ยไปกลายเป็นดินไปถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไป นี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวงอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆาอย่าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากเหล่านี้จะสร้างความทุกข์ทรมานใจนั่นเองเพราะเป็นความหลงไม่ใช่เป็นปัญญา เป็นเชื้อโรคของใจคือความหลงนี้เป็นเชื้อโรคของใจเราต้องใช้ปัญญาที่เป็นยามารักษาเชื้อโรคคือความหลงความหลงคือไม่เห็นความจริงนั่นเองไม่เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราจึงต้องคอยบังซ้นอนใจเราอยู่เรื่อยเวลาเรามีเห็นอะไรสัมผัสกับอะไรต้องบอกคอยสอนใจว่า สิ่งที่เรามีอยู่นี้จะไม่อยู่กับเราไปตลอดนะมันไม่ให้ความสุขกับเราไปตลอดถ้าเราไม่จำเป็นก็อย่าไปมีดีกว่าถ้ามีก็ถ้าจำเป็นต้องมีก็ต้องรู้ว่ามันเป็นมันเป็นปัจจัยหรือเป็นสิ่งที่สนับสนุนเช่ชนร่างกายของเราให้อยู่ต่อไปได้ไม่ตายไปก่อนวัยแต่การอยู่ของเราเราจะอยู่อย่างไรดี เราจะอยู่แบบหลงแล้วก็ทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเราจะอยู่แบบฉลาดถ้าเราอยากจะอยู่แบบฉลาดอยู่แบบไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเราก็ต้องหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้เราจะไม่มีกำลังสอนใจให้คิดไปในทางนี้เพราะความหลงจะมีกำลังมากกว่า ความหลมนี่จะหลอกให้เราคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีได้เงินมาแล้วดีได้คนนั้นมาแล้วดีไม่เคยคิดเลยว่าแล้วเวลามันหมดไปดีหรือไม่เวลาหมดเนื้อหมดตัวนี่ดีหรือไม่แต่ถ้าเราอยู่แบบหมดเนื้อหมดตัวได้เวลาหมดเนื้อหมดตัวเราก็จะไม่เดือดรอ้อนแต่ตอนนี้พวกเราไม่หัดอยู่กันแบบหมดเนื้อหมดตัวกันเราอยู่แบบเศรษฐีกัน อยู่แบบต้องมีรั์มีนั่นมีนี่เราถึงจะมีความสุขกันแต่เราไม่เคยคิดว่าถ้าวันดีคืนดีเกิดเราตกทุกข์ได้ยากไม่มีเงินไม่มีทองเราจะอยู่ได้หรือไม่เราต้องมาหัดอยู่แบบคนไม่มีเงินมีทองบ้างเช่นมาอยู่วัดอยู่วัดนี้เขาก็ให้กินแต่ข้าวกับมีที่นอนเท่านั้นเองแต่ไม่มีอย่างอื่นไม่มีเครื่องบันเทิง ต, ตา่างๆเช่นโทรทัศน์วิทยุ ให้เรามาอำนวยความสุขให้กับเราหัดอยู่แบบเรียบง่ายหัดอยู่แบบไม่มีอะไรถ้าเราอยู่ได้แล้วต่อไปเราจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆว่าจะมีอยู่กับเราหรือไม่ไม่มีเราก็อยู่ได้แต่าเราต้องฝึกอยู่แบบนั้นวิธีจะอยู่แบบนั้นอย่างมีความสุขก็คือเราต้องรักษาสี แล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ออกจากความสงบก็คอยสอนใจว่าอย่าประหยัดได้อะไรอย่าประหยัดมีอะไรพราะมีแล้วมันจะทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเรื่องของการมาสะสมปัจจัยสีให้แก่ใจของเราถ้าเราทาทานอยู่อย่างต่อเนื่องรักษาสีนั่งสมาธิ จเจริญปัญญาพิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆใจของเราจะมีปัจจัยสี่คอยดูแลเหมือนกับร่างกายของเราที่มีอาหารมีเครื่องนุ่หงห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคร่างกายของเราไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์แต่ใจของเรานี่เป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆแทบจะเป็นทุกวันเลย ไม่มีวันไหนว่าจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่ไม่โกรธไม่ไม่โลภเลยมีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องพยายามสะสมปัจจัยสี่ทางใจให้มากมากเพื่อใจของเราจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์กับไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเป็นผู้ที่พิสูจน์มาแล้วว่า การมีปัจจัยสี่ทางใจนี้ดีกว่ามีอะไรทั้งหลายในโลกนี้เมื่อก่อนนี้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็อยากจะมีลาบมียศมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอแต่มีไปเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจได้กลับจะทำให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย เพราะความอยากจะขยายาให้ตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆได้เท่านี้แล้วก็ไม่เคยพออยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกตอนต้นไม่มีก็อยากจะได้สักสักแสนหนึ่งพอมีแสนแล้วก็ไม่พออยากจะได้ล้านพอมีล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอถ้ายังไม่พอมันก็ยังไม่อิ่มมันก็ยังไม่สุดนั่นเองดังนั้นอย่าไปหลงกับการไปห า, าลาภยศสรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันจะไม่ได้สร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ใจของเราเราต้องดูพระพุทธเจ้าพระอริยสงสา ว, วกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านสละลาบยศสละเสระสะิญสุขท่านสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ไปบวชไปรักษาศีลไปเจริญสมาธิเจริญปัญญาจนใจของท่านมีปัจจัยสี ทางจิตใจครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี่คือทางออกที่แท้จริงทางออกทางออกจากความทุกข์ทั้งหลายต้องออกจากการสร้างปัจจัยสี่ให้แก่ใจนี้คือทานศีลสมาธิและปัญญาจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมา สะสมมาสร้างปัจจัยสีทางใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณตระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแม้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณัสุ ข, ขะภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ